จเจริญสุขสวัสดีท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะได้มาสดับรับฟังพระสัจ ธ, ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่เราจะได้นำเอาไปภาคเพียนประพฤติปฏิบัติให้ถึงซึ่งความสิ้นทุกข์สงบเย็ยนเป็นสันติสุขผู้มีความเพียรมั่นคงมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียว ประเสริฐกว่าชีวิตตั้งร้อยปีของผู้เกียจคร้านไร้ความเพียรขอท่านทั้งหลายจงทําจิตใจให้ผ่องแผ้วแข็งแรงร่าเริงมั่นคงและแจ่มใสจงสลัดความง่วงเหงาเหานอ น, อนเสื่องซึมหดหูด้วยอาการของทีนามิตะให้สิ้นไปเถิด ผู้ใดได้ประโมทอันเกิดจากธรรมได้ดื่มรสแห่งธรรมอันพระตรามกตส่งยกย่องว่าเลิศกว่ารสทั้งปวงเพราะไม่เจือด้วยทุกขและโทษยิ่งดื่มยิ่งสงบปราณีตไร้ความกระวนกระวายยิ่งดื่มยิ่งหวานชื่นเหมือนบริโภคอ้อยจากปลายไปหาโคนส่วนรสแห่งโลกนั้นเจืออยู่ด้วยทุก และโทษนานาประการต้องกังวลต้องหวาดระแวงความสุขแห่งโลกมักจะจบลงด้วยความทุกข์โลกียารสยิ่งดื่มยิ่งจืดเหมือนกินอ้อยจากโคลนไปหาปลายผู้ที่ได้ดื่มรสแห่งธรรมแล้วมีธรรมะเออบอาบอยู่ในใจแล้วความสุขอย่างโลกโลกก็ไร้ความหมาย เมื่อจำเป็นต้องเสวยความสุขทางโลกไม่ว่าประนีตปานใดก็มีจิตใจพิจารณาเห็นโทษอยู่เนืองๆ เ, เหมือนผู้จำเป็นต้องดื่มน้ำที่แม้จะใสสะอาดแต่มองเห็นปริงลงว่ายอยู่ก้นขันลองคิดดูเถิดว่าเขาจะดื่มน้ำด้วยความรู้สึกอย่างไร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 ถอนตนขึ้นจากโลกปลดปล่อยตนให้เป็นอิสระจากการย่ำยีเสียดแทงแห่งอารมณ์โรคไม่ต้องอึดอัดคับแค้นเพราะโลกกระทากระแทกกระทัน้นบีบคั้นหัวใจไม่หวั่นไหวต่อความขึ้นลงของชีวิตลองคิดดูด้วยปัญญาอันชอบเถิดเหมือนอย่างว่ามีบุรุษคนหนึ่งมีสองมือมือข้างหนึ่งของเขา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 ที่เบ็ดเกี่ยวไว้พอปลากินเดือก็ติดเบ็ดคราวนี้ก็สุดแล้วแต่พรานเบ็ดจะฉุดกระชากลากไปมัสยาที่ติดเบ็ดกับปุทุชนที่ติดในโรคเยียสุขจะต่างอะไรกัน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 เป็นภาระกับคนตาบอดอีกคนหนึ่งแต่อา น, นิจจากว่าจะรู้อย่างนี้ก็มักสายเกินแก้เสียแล้วสภาพทางโลกจึงอยู่ในลักษณะตาบอดจูงคนตาบอดและเตี้ยอุ่มคอมเสมอมา ความรักเป็นสิ่งหนึ่งที่บุคคลทุกเพศทุกวัยแสวงหาด้วยเข้าใจว่าตนจะสมบูรณ์ขึ้นเพราะมีความรักและคนที่รักเข้าใจว่าตนจะมีความสุขเพราะมีความรักแต่พอมีเข้าจริงๆความกังวลห่วงใยความกลัวจะเสียของรักหรือคนรักความหวาดหวั่นพลั้นพลึงต่อการที่จะพลัดพรากจากสิ่งที่รัก ความริษยาอาฆาตต่อบุคคลที่มีท่าทีว่าจะมาแย่งของรักของตนไปเป็นอาธิเมื่อรวมกันแล้วก่อความทุกข์ความกังวลให้มากกว่าความสุขเล็กๆน้อยๆเพราะความเพลินใจในอารมณ์รักหรือสิ่งที่รักความไม่สมบูรณ์ในตนนั่นเองทำให้คนต้องการความรักและสิ่งที่รักส่วนบุคคลที่มีความสมบูรณ์ในตน ย่อมไม่กังวลไม่ต้องการความรักหรือสิ่งที่รักเกี่ยวกับเรื่องนี้พระาศาสดาของเราตรัสว่าการไม่ได้เห็นสิ่งอันเป็นที่รักเป็นความทุกข์การประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักเป็นความทุกข์เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรทำอะไรให้เป็นที่รักเพราะการพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นความทรมาน โลกนี้พร่องอยู่เป็นนิดใข้ขวนขวายให้เต็มปรารถนาในอารมณ์โลกก็เหมือนตักน้ําไปรดทะเลทรายหรือเหมือนคนน้าไปเทลงในมหาสมุทรเหนื่อยแรงเปล่าชาวโลกจึงมีความเร่าร้อนดิ้นรนเพื่อให้เต็มปรารถนาแต่ก็หาสําเร็จไม่ยิ่งดื่มอารมณ์โลกสุขเวทนาอย่างโลกโลกก็ดูเหมือนจะเพิ่มความอยากให้มากขึ้น เหมือนดื่มน้ำเค็มยิ่งดื่มยิ่งกระหายหรือเหมือนคนเกาแผลคันยิ่งเกายิ่งคันยิ่งคันก็ยิ่งเกาวนเวียนอยู่อย่างนั้นสู้คนที่พยายามรักษาแผลให้หายโดยไม่ต้องเกาไม่ได้เป็นการดับที่ต้นเหตุอย่างแท้จริง ของประชุมลงแห่งดินน้ำไฟลมมีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเจริญขึ้นเพราะเข้าสุขและขนมนมเนยต้องอบต้องอาบเพื่อกันกลิ่นเหม็นต้องขัดสีมนทินอยู่เป็นนิดมีความแตกกระจัดกระจายเป็นธรรมดาผู้มีจักสุควรพิจารณาเห็นกายนี้ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนได้ยาก เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเพราะความยากลำบากจำรุดสุดโสมเป็นของว่างเปล่าไม่ใช่ตัวตนเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้ย่อมละความพอใจรักใครความกระวนกระวายในกายเสียได้ สแสวงหาสัจจะตลอดชีวิตของมนุษย์จะมีอะไรเล่าจะเป็นภาระหนักยิ่งไปกว่าการประคับประคองกายให้อยู่รอดให้เป็นไปได้มนุษย์ต้องเหน็ดเหนื่อยต้องทนทุกข์ทรมานเหลือเกินเพราะกายนี้เพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของกายนี้มันเหมือนแผลใหม่ที่ต้องประครบประงมต้องใส่ ย, ยาทาพอก กันอยู่เนืองนิดพระศาสดาจึงตรัสว่าไม่มีความทุกข์ใดเสมอด้วยการบริหารขันทั้งทั้งที่เป็นดังนี้มนุษย์ทั้งหลายก็ยังพอใจในกายนี้เห็นกายนี้เป็นของสวยงามน่าอภิรม์ชมชื่นยื้อแย้งข่าฟันกันเพราะเหตุแห่งกายนี้ต้องร้องให้ค้ำครวนถึงกายอันเป็นดังหัวฝี เป็นดังแผลใหม่นี้ต้องติดใจในความสวยงามเข้าใจว่าจะให้ความสุขแก่ตนได้อันที่จริงกายนี้มีน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลเยิ้มอยู่ทั่วไปมีกระดูกเป็นโครงมีเส้นเอ็นอันเป็นเครื่องร้อยรัดมีเนื้อเป็นเครื่องพอกและมีหนังบางๆปกปิดห่อหุ้มสิ่งปฏิกูลทั้งหลาย พลางตาเอาไว้จึงปรากฏแก่คนทั้งหลายผู้มองอย่างผิวเผินว่าเป็นของสวยงามหน้ารูปกลําสัมผัสแต่อันที่จริงแล้วความสวยงามสิ้นสุดลงแค่ผิวหนังเท่านั้นเองถ้าลอกเอาผิวหนังออกแล้วคนที่รักเราเหมือนจะกลืนกินคงจะต้องวิ่งหนีเป็นแน่อนหนึ่งผิวหนังที่ว่าสวยนั่นเอง ก็เปลือกเปลื่อนไปด้วยฝุ่นและเหงื่อใครต้องมาคอยชําระขัดสีอยู่เป็นเนืองนิดเว้นการชําระล้างและขัดสีแม้เพียงวันเดียวก็มีกลิ่นสาบเหม็นเป็นที่น่ารังเกียจแน้งหน่ายแม้แห่งเจ้าของกายนั่นเองด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคย่าวยิ่งตรัสสอนให้พวกเราพิจารณาเนืองๆซึ่งกายขตาสติภาวนา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 ท่านผู้สแสวงหาสัจจะคนส่วนมากเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นหรือได้ประสบทุกข์ก็สาคัญมั่นหมายว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วแก่เรานี้เป็นของเที่ยงยั่งยืนจึงมีความทุกข์มากขึ้นเพราะกลัวว่าความทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นจะสถิตยอยู่ในใจของตนตลอดไปจึงตีโพยตีพายพร่ำเพลอลำพันส่วนคนที่ประสบสุขเล่า ก็เพลินอยู่ในความสุขด้วยสําคัญมั่นหมายว่าความสุขที่เกิดแก่เรานี้เป็นของเที่ยงยั่งยืนจึงติดสุขพอความสุขแปรปรวนก็เกิดทุกข์ขึ้นเหมือนคนเห็นเงาของดวงจันในขันน้ำจึงได้คว้าเอาในที่สุดก็คว้าถูกขันน้ำนั่นเองหาถูกดวงจันไม่พระดาเอวยอันที่จริงแล้วทั้งสุขและทุก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 ดูกรภราดาคนส่วนมากเข้าใจว่าเรื่องที่จะต้องอดทนคือเรื่องอันไม่เป็นที่พอใจหรืออนิจฐาารมณ์เท่านั้นแต่ความเป็นจริงแล้วบุคคลผู้ต้องการความดีให้แก่ชีวิตจะต้องอดทนทั้งสองอย่างคือทั้งอารมณ์อันน่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาบุคคลที่อดทนต่ออารมณ์อันไม่น่าปรารถนาได้เช่น อดทนต่อคําด่าว่าเสียดสีได้นับว่าน่าสรรเสริญแต่บุคคลที่อดทนต่ออารมณ์อันน่าปรารถนาเช่นลาบยศและเสียงสรนเสริญได้คือเมื่อตกอยู่ภายใต้อํานาจชั่วยวนของสิ่งเหล่านี้ยิ่งน่าสรรเสริญขึ้นไปอีกเพราะทําได้ยากกว่าอารมณ์อันไม่น่าปรารถนาทําคนให้เสียได้เหมือนกันถ้าไม่อดทนพอ แต่ถ้าเขามีความอดทนต่ออารมณ์นั้นเพียงพอมันจะกลายเป็นยาขมที่ช่วยทำลายโรคได้คือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตส่วนอารมณ์ที่น่าปรากถนาน่าเพลิดเพลินยั่วยวนใจได้ทำให้มนุษย์ผู้หลงไหลเสียคนม า, มามากต่อมากแล้วความอดทนอดกลั้นนั้นทำได้ยากมนุษย์ผู้นั้นจะกลับตัวเป็นคนดีได้อีกทีหนึ่ง ก็ต่อเมื่ออารมณ์หรือสภาพแวดล้อมอันยั่วยวนใจนั้นได้สูญสิ้นไปแล้วและเขาก็กระแทกกระทังกับอนิถารมณ์อย่างจังเหมือนเผชิญหน้ากับควายป่าที่ดุร้ายตัวอย่างผู้มีอํานาจเมื่อสูญเสียอํานาจแล้วจึงได้รู้สัจธรรมบรรดาสิ่งยั่วยวนใจทั้งหลายอํานาจนับเป็นสิ่งยั่วยวนใจที่สําคัญยิ่งอย่างหนึ่ง ซึ่งใครมีเข้าแล้วมักจะหลงไหลมัวเมาอยู่ในอำนาจนั้นจนปัญญาจาักษุมืดมนลงทำให้เห็นดำเป็นขาวเห็นผิดเป็นชอบแล้วประกอบกาหนักด้วยอำนาจที่มีอยู่นั้นจะต้องประสบชะตากรรมมีวิบากอันเผ็ดร้อนเมื่อนั้นแหละจึงจะรู้สึกตัวแต่มันก็สายไปเสียแล้วเรื่องทำนองนี้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 ความงามของสตรีเป็นสิ่งยั่วยวนใจสําหรับบุรุษอย่างยิ่งประการหนึ่งบุรุษผู้ไม่ต้องตกอยู่ใต้อํานาจของความงามของสตรีจึงเป็นบุรุษอาชาในหาได้ยากคนเช่นนั้นแม้เทวดาก็ชมพรมก็สรรเสริญความงามของสตรีได้เคยฆ่าบุรุษผู้ทรงศักดิ์มามากต่อมากแล้วดูก่อนท่านผู้สแสวงหาสัจจะ ความอดทนนั้นเป็นอาภรณ์ของนักพรตเป็นตบะของผู้บำเพ็ญตบะแม้นักพรตผู้แรงเริงด้วยตบะมีชื่อกระชอนก็เคยพ่ายแพ้ต่อความงามและความยั่วยวนของสตรีมามากนักแล้วเช่นกันทางปลอดภัยแท้จริงของนักพรต ก, คคคก็คือไม่คุ้นเคยด้วยชักสะพานเสียคือไม่สนิทสนมด้วยสตรีที่เป็นข่าศึก แห่งพรหมจรรย์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดิเป็นธรรมราชาย่อมทรงอาศัยธรรมสการธรรม เคารพธรรมย่าเกรงธรรมมีธรรมเป็นทงมีธรรมเป็นตรามีธรรมเป็นใหญ่ย่อมทรงดำเนินกิจการต่างๆไปโดยธรรมดูก่อนภิกษุแม้เราตถาคตก็เป็นผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาเราต้องอาศัยธรรมเคารพธรรมย่าเกรงธรรมมีธรรมเป็นทงมีธรรมเป็นตราและมีธรรมเป็นใหญ่ดังนี้ จึงพ่อกล่าวได้ว่าผู้เป็นใหญ่สูงสุดในโลกทั้งปวงคือธรรมะบุคคลผู้เป็นใหญ่จะยิ่งใหญ่อยู่ได้ก็เฉพาะเมื่อดำรงตนอยู่ในธรรมะอยู่ในร่มเงาของธรรมะทำหน้าที่ในฐานะเป็นตัวแทนหรือเป็นเครื่องมือแห่งธรรมะให้งานทุกสายเป็นทางเดินแห่งธรรมะบุคคลผู้ยอมมอบตนให้แก่ธรรมะ ให้ธรรมะเป็นผู้นำทางชีวิตย่อมไม่เสื่อมมีแต่ความเจริญพระจอมมุนีได้ตรัสไว้ว่าบุคคลจะเป็นผู้เจริญก็รู้ง่ายจะเป็นผู้เสื่อมก็รู้ง่ายคือผู้รักธรรมเป็นผู้เจริญผู้ชังธรรมเป็นผู้เสื่อมพระดาด้วยเหตุนี้จึงควรทำงานและดำเนินชีวิตเพื่อเอาใจธรรมะ ไม่ใช่เพื่อเอาใจคนทั้งหลายซึ่งมีใจต่างกันถูกใจคนหนึ่งไม่ถูกใจอีกคนหนึ่งถูกใจกลุ่มหนึ่งแต่ไม่ถูกใจอีกกลุ่มหนึ่งธรรมะนั้นมีใจเดียวคือความถูกต้องเรามุ่งเอาธรรมมาธิปไตยเป็นทางดำเนินชีวิตเมื่อได้มอบตนให้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของธรรมะแล้วไม่ต้องวิตกทุกข์ร้อนอะไรทั้งหมด ต้องการสิ่งใดธรรมะจะเป็นผู้มอบให้ลาบยศสรนเสริญสุขที่ได้มาโดยธรรมอันธรรมะมอบให้แล้วจะเป็นสิ่งที่สงบเย็นไม่เล่าร้อนเหมือนลาบยศสันเสริญสุขที่ได้มาโดยอธรรมอะไรคือที่พึ่งอันแท้จริงของมนุษย์ผู้เวียนไหวยอยู่ในทะเลแห่งความทยานอยากนี้ธรรมะอย่างไรเล่า พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าจงมีธรรมะเป็นที่พึ่งเถิดอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยและทรงชี้บอกว่าอรธรรมคือความไม่กังวลไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละคือที่พึ่งของใจหาใช่อย่างอื่นไม่ สูทั้งหลายคนเคายึดมั่นอยู่ว่านั่นบุตรของเรานั่นทรัพย์ของเราจะต้องเดือร้อนอยู่ร่ำไปตามความเป็นจริงแล้วตนของตนก็ยังไม่มีบุตรและทรัพย์จะมีที่ไหนเล่าท่านผู้สแสวงหาสัจจะคนที่มีความยึดถือมากก็ย่อมมีความกังวลมากไม่มีอะไรก็กลัวเฉพาะหน้ากลัวอนาคต กลัวเสจนหาความสุขความสงบให้แก่ชีวิตในปัจจุบันไม่ได้แม้บัณฑิตจะบอกธรรมะพร่ำสอนอยู่ว่าจงทําปัจจุบันให้ดีที่สุดเถิดอนาคตจะจัดตัวของมันเองเขาก็หารับฟังไม่หาว่าคนบอกเป็นคนเขาไม่รู้จักเตรียมการเพื่ออนาคตคนพวกนั้นเพราะอนาคตที่เขาหวังไว้มาถึงจริง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 ร้อนหนักร้อนหนักอย่างนี้เรื่อยไป สแสวงหาสัจจะความจริงอนันน้าพิศวงมีอยู่ว่าความสงบเยือกเย็นของดวงจิตเพราะความเป็นผู้ไม่ต้องการอะไรนั้นมีค่ายิ่งกว่าสมบัติบรมจักรแห่งกษัตริย์ที่ลาชเหมือนมหาจั ก, กรพัทผู้เร่าร้อนอยู่ด้วยความปรารถนาอันไม่มีที่สิ้นสุดมิฉนั้นแล้วเชไหนเล่าพระบรมครูของเราจึงทรงสละสมบัติบรมจักร เพื่อแสวงหาความสงบเย็นให้แก่ดวงจิตเมื่อพระองค์ได้ประสบความสาเร็จในทางนี้แล้วก็กลายเป็นที่พึ่งที่บูชาของชาวโลกมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ตัวอย่างที่เกี่ยวกับพระพุทธองค์นี้ชี้ให้เห็นความจริงอีกประการหนึ่งว่าผู้นำโลกที่แท้จริงคือผู้นำทางจิตหรือวิญญาณหาใช่ผู้มีอำนาจราชศักแต่ประการใดไม่ ดูก่อนพระดาคนจำนวนไม่น้อยแบกก้อนหินแห่งชีวิตคือความหนักอกหนักใจวิ่งฝ่ากองไฟคือความทรมานไปสู่ภูเขาแห่งความว่างเปล่าพราดาสมมติว่ามีใครสักคนหนึ่งกลิ้งหินอันแสนหนักขึ้นสู่ยอดเขาแลปล่อยให้หินนั้นตกลงมาอย่างภาคพื้นตกลงมากลิ้งขึ้นไปอีก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 แข่งกันว่าใครจะถึงยอดเขาก่อนเมื่อถึงยอดเขาแล้วจึงได้รู้ว่ามันไม่มีอะไรคนทั้งหมดต้องนั่งลงกอดเข่ารำพันว่าเหนื่อยแรงเปล่า ผู้แสวงหาสัจจะมนุษย์จะถูกลงทัให้ประสบชะตากรรมหรือการลงแรงที่สิ้นหวังและไร้ผลตอบแทนอันไม่คุ้มเหนื่อยก็เพราะความเขาของมนุษย์นั่นเองแม้มนุษย์พอจะฉลาดบ้างแล้วในเรื่องอื่นๆในสาขาวิชาการมากหลายแต่มนุษย์ยังเขาต่อเรื่องราวของชีวิตมนุษย์ส่วนมากยังเข้าไม่ถึง สิ่งที่ชีวิตควรจะต้องการและขึ้นให้ถึงส่วนใหญ่ยังถือเอาการกินและเกียรตเป็นจุดหมายของชีวิตนั่นคือความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงของสังคมมนุษย์ตามความเป็นจริงแล้วการงานทุกอย่างของมนุษย์ควรเป็นเครื่องมือไปสู่การพัฒนาการให้ตนขึ้นสู่ฐานะอันสูงสุดเท่าที่มนุษย์จะขึ้นถึงได้ นั่นคือความสะอาดแจ่มใสแห่งดวงจิตข้ามแดนแห่งความมืดบนของชีวิตเสียได้